กรรมวาจาสมมติสีมาข้อท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้านิมิตได้ระบุไว้โดยรอบเพียงใดถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงสมมติสมานสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันด้วยนิมิตเหล่านั้นนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้านิมิตได้ระบุไว้โดยรอบเพียงใดสงสมมติสมานสังวาสสีมา มีอุโบสถเดียวกันด้วยนิมิตเหล่านั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสมมุติสมาน ส, สังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันด้วยนิมิตเหล่านั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสมานสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันสงสมมุติแล้วด้วยนิมิตเหล่านั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้